ครับขอบคุณทีมนมัสการกับคุณพี่บีพี่นิตแล้วก็ทีมงานนะฮะจริงผมก็เป็นเหมือนรุ่นน้องนะฮะจริงๆแล้ว <c oughs> <g ül> <g ül> ก็รู้สึกดีใจได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการกับพี่น้องในที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หัวข้อในวันนี้จริงๆแล้วหัวข้อในเดือนนี้ใช่ไหมครับเป็นหัวข้อเรื่องของความรักของพระเจ้านะก็พูดถึงความรักของพระเจ้าก็คิดนันนมสัสการแล้วผมก็ น, นมสัสการกา็คิดตามแล้วขอบคุณพระเจ้านะเราเพราะ ความรักของพระองค์เราถึงมาอยู่ที่นี่นะเราถึงมานมัส ก, การพระเจ้าเพราะว่าพระองค์รักเราเราจรึงมายกย่องเทิดทูนนมัส ก, การพระองค์แล้วถามว่าพระองค์ปรารถนาอะไรจากเรานะพระองค์รักเรามากนะผมก็เลยคิดถึงพระคำข้อหนึ่งนะผมจะอ่านให้ฟัง อ, อทดทนนะคิดถึงพระคำข้อนี้นะฮะหนึ่งย่อนบทที่3ข้อที่16นะเรารู้จักย่อนบทที่3ข้อที่16ใช่ไหมครับพอพระเจ้าทรงหลักโลกนะ ท่องข้อนั้นและท่องข้อนี้ด้วยนะฮะข้อนี้เขาบอกแบบนี้ถ้าเช่นนั้นแหละเราจึงรู้จากความรักโดยที่พระองค์ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นแก่เห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ใน คนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคาพูดและด้วยปากเท่านั้นจะจงรักกันด้วย ก, กรารกระทำและความจริงก็จริงๆแล้วพระเจ้ารักเรานะพระเจ้าก็หวังว่าเราจะรักพี่น้องเหมือนกันให้เราจัดยานขอพอรจากพระเจ้าร่วมกันนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งมีพระเมตตา แกเราทั้งหลายเสมอเกินกว่าที่เราจะเข้าใจและนับได้และเวลานี้ข้าพระงทั้งหลายมาอยู่ต่อประพักพระเจ้าร่วมกันนมัส ก, การพระองค์และอยากจะพิจพิรณาถ้อยคําจากพระคําของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ ท, งทรงโปรดตรัสกับขับพระงทั้งหลายอย่างเสรีเปิดหูเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณข้าพระงทั้งหลายเพื่อถ้อยคําที่บอกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จะดำรงอยู่ในชีวิตของข้าพนองหลายและเราทั้งหลายจะไม่มีใครสักคนหนึ่งคนใดขาดต่อพระพรจากพระเจ้าได้เขาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ า, าความรักเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาปรารถนาความรักเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนและเป็นแบบอย่างพระองค์พระองค์รคักเราแล้วพระองค์ก็เป็นแบบอย่างให้กับเรานะ จริงๆแล้วความรักบางครั้งก็ง่ายบางครั้งก็ยากนะสําหรับวัยรุ่นนะฮะแล้วก็บางคนก็อยากจะมีความรักกับเขาดูๆแบบนี้ง่ายๆ น, น, น, นะฮะหรือถ้าเกิดแล้วเราได้รักคนที่เขารักเราคนที่น่ารักว่าคำว่าความรักก็อาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะอยากอยู่แล้วนะคนโดยเฉพาะคนที่น่ารักคนที่นิสัยดีคนหรือคนที่รักเราพ่อแม่เพื่อนครูบาอาจารย์พี่น้องก็ารักเราเรารักตอบก็ไม่ยากใช่ไหมครับ รักที่ยากขึ้นคือรักคนแปลกหน้าคนที่เรายังไม่ค่อยรู้จักก็ยากขึ้นนะเพราะยังไม่มีความสัมพันธ์นะจะบอกว่าลาทุกคนนี่ก็ตอแหละนะโทษนะเพราะยังยังยังไม่รู้จักก็รักก็ยากขึ้นนะในสังคมเรานี่ก็มันบางทีต้องเปิดเผยตัวเองต้องเรียนรู้จักต้องฝืนธรรมชาตินะหรือว่าคนที่แตกต่างจากเราแตกต่างทางฐานะทางสังคมทางการศึกษาทางอาชีพทางความสนใจพวกนี้ก็ต้องฝืนธรรมชาติ นั้รักคนที่ต่างจากเราก็ยักขึ้นนะนั้นรักที่อยากที่สุดก็คือใครอะรักสตรูรักคนที่เขาไม่รักเรานะหรือคนที่เกลียดเรารักคนบาปอย่างเงี้ยรักคนที่ไม่น่ารักนะรักคนที่นิสัยเสียปากเสียเห็นแต่ตัวเอาลัดเอาเปรียบขี้โกงขี้โมโหขี้จุไรความจริงใจโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็ไม่อยากจะรู้จักแล้วเนาะรักแบบนี้ก็รักยาก พระธรรมที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นพระธรรมที่รักยากนะจริงๆพระเยซูเนี่ยรักคนบาปพระ อ, องค์รักไปได้ยังไงพระ อ, องค์รักแบบไหนอ่ะทำไมพระ อ, องค์รักคนบาปเรียกคนบาปนะทำไมไม่ใช้เวลากับคนอื่นที่มันแบบว่าน่าจะมีภาษีดีกว่านี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่รู้อย่างหนึ่งนะพระเยซูมักจะคิดต่างกับเราเสมอเลยพระเยซูมักจะทาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่เราทา หรือพระองค์มักจะสําแดงบางอย่างในสิ่งที่เราละเลยพระเยซูรักคนบาปพระองค์งรักยังไงนะเราจะมาเรียนบทเรียนจากตอนนี้ด้วยกันนะเราจะเห็นในพระธรรมตอนนี้ในข้อที่9นะเราเริ่มต้นเราเห็นว่าพระเยซูรเริ่มต้นส่งเรียกคนบาปนะในข้อ9ถ้าเราเปิดตามบท น, นี้ไม่มีจะเปิดตามในพระธรมปีกก็ได้นะครับมัทธิวบทที่9ข้อที่9้าเริ่มต้นบอกอย่างนี้ว่า เมื่อพระเยซูเสด็จเลยจากตำบล น, นั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปพระธรรมมัทธิวตอนนี้บันทึกว่าพระเยซูกําลังเดินทางแนะผ่านจากตําบลหนึ่งมาสู่อีกตําบลหนึ่งนะก็ข้ามเขตตําดนอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าข้ามเขตก็เลยเห็นด่านเก็บภาษีนะแล้วพระเยซูก็สนใจ ไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะสนใจคนที่นั่งอยู่ที่ดา่านนั่นแหละคนนั้นก็คือมนะัทธิวนะเราจะเห็นคํากริยาอยู่สองคำที่พระเยซูมาถึงนะสิ่งแรกคือโปร่งเห็นโปร่งเห็นมัทธิว น, นะผมก็จินตนาการตามแนละ้วก็เดินผ่านด่านเก็บภาษีเดินเห็นเห็นคงจะเห็นคนเจาะะจ่อแจคงจะเห็นเห็นคนที่กําลังรอคิวที่จะจ่ายภาษี พรคงจะเห็นทหารที่เป็นยามคงจะเห็นเพื่อนที่เก็บภาษีคงเห็นคนใชน้เห็นตั้งหลายอย่างนะแต่ในพระบีบันทึกเจาะจงว่าพระองค์พอดพระเนตเห็นคนหนึ่งในด่านนะั่นแหะชื่อมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีนะไม่รู้ว่าพระองค์เห็นมัทธิวเห็นอะไรที่แน่ๆคาพูดนี้กําลังบอกว่าพระองค์สนใจมัทธิวคนทั่วไปอาจจะเห็นมัทธิวเห็นเขาคือในด่านเก็บภาษีคนเก็บภาษีสําหรับคนยนะิวเนี่ยคนเก็บภาษีเนี่ย โทษนะฮะเขามองว่าอาจจะเร็วยิ่งกว่าหญิงโสเภณอีกนะเพราะคนเก็บภาษีเนี่ยคือเปรียบเหมือนคนขายชาติเป็นเหมือนคนบาปเพราะว่าเขาเนี่ยไ ด, ได้ได้สิทธิ์จากรัฐบาลโลมก็คือรัฐบาลของคนต่างชาติหรือศัตรู ก, กับคนโลมนี่แหละนะได้มาเก็บภาษีเพราะหน้าที่ของคนเก็บภาษีคือเก็บภาษีทุกเม็ดทุกหน่วย ขูรีดเข้าไหนก็ได้แต่เพื่อที่จะให้รัฐบาลโลมได้ภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเก็บทุกคนทุกชนชั้นผู้ชายผู้หญิงเก็บบทนะฮะนอกจากนั้นคนเก็บภาษีแล้วเขาเห็นเป็นคนขายชาติแล้วแค่เห็นเป็นคนชอบโกงด้วยเพราะพวกนี้พอมีสิทธิก็เก็บตามใจชอบได้เก็บเกินพิกัดใกล้เข้ารัฐบาลครึ่งหนึ่งเข้ากระเป๋าชั้นครึ่งหนึ่งนะเขาก็ทําทแบบนี้นะเมื่อนคนเก็บภาษีถึงล่ํารวย ล้คนแก็ภาษีถึงคนอืนมองว่าอุ้ยไอ้พวกเนี่ยเปนคนขี้โกงคนทั่วไปเห็นมัธิวเห็นคนขี้โกงเหมือนเหมือนกันนะฮะคนทั่วไปเวลาเราเห็นใครเนี่ยเรามักจะมองเห็นข้างนอกนะเขาทํางานอะไรใช่ไหมเขาแต่งตัวแบบไหนเขาเรียนจบอะไรมานะแล้วเขาใส่นาฬิกาอะไรขับรถอะไรเราจะมองเห็นข้างนอกเขาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เขาคบกับใครใช่ไหม มองข้างนอกนะคนค น, คนทั่วไปก็จะมองที่ฐานะการศึกษาฐานะตําแหน่งทางสังคมเห็นความชั่วความชั่วช้าในสิ่งที่เขาทํามองถ้าเกิดใครใครตราหน้าโอ้ยคนนี้คนคนขี้โกงอย่างเงี้ยนะเดินไปไหนมันก็โกงเต็มหน้าเลยนะคนทั่วไปมองแบบนี้พระเยซูหล่ะเห็นมัทธิวเห็นอะไรพระองค์เป็นไปได้ไหมพระองค์เห็นลึกกว่าคนทั่วไปถึงเรียกมัทธิว พระองค์เห็นมัทธิวอาจจะเป็นไปได้เห็นปัญหาภายในเขาก็อาจจะร่ํารวยแต่ขาดความสุขพระองค์เห็นมัทธิวเขาเป็นไปได้ไหมพระองค์จะเห็นว่าเขาเป็นคนป่วยเหมือนบอกว่าเรามาเพื่อคนป่วยไงเขาเป็นคนป่วยที่ต้องการรักษาต้องการการรักษาหรือเป็นไปได้ไหมเห็นมัทธิวพระองค์เห็นโอกาสโอกาสว่าคนเนี้จะกลับใจได้พระองค์มองไม่เหมือนเราพระองค์มองมองลึกมองที่คนมองที่ตัวตนคนนั้นจริงๆ พระองค์จึงเห็นมัทธิวเสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกมัทธิวให้ติดตามาพระบพีบอกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปพระเยซูไม่เพียงแต่เห็นมัทธิวเท่านั้นในที่สุดพระองค์ก็เรียกมัทธิวนะ การเรียกมัทธิวเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เรียกมัทธิวมาม า, มาเตือนสติสั่งสอนหน่อยทําตัวดีหน่อยอย่ากเก็บภาษีเกินพิพระองค์ไม่ได้มาถึงเห็นหน้าปับ๊บสั่งสอนเลยนะบางคนอาจจะเป็นครูจนเคยชินนะเห็นปับ๊บสั่งสอนเลยมันผมเป็นต้นเรียกมานะคุณนักเรียนก็คงจะไม่อยากมาหรือบางคนอาจจะพระองค์ไม่ได้มาขอมัทธิวถวา ย, ท, วายทรัพย์นะนี่รวยมากใช่ไหมถวายพระเจ้าบ้างนะไม่นะ พระองมาเรียกมัทธิวเรียกจงตามเราไปเถอะคําว่าจงตามเรามาเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะกําลังบอกว่าเรียกมาเป็นสาวกเหมือนกับพวกลับบีเนี่ยเรียกคนมาเป็นสาวกก็เรียกมาตามมาเถอะก็คือเรียกมาเป็นลูกศิษย์เป็นสานุศิษย์ไปทุกที่ทุกแห่งที่พระองค์ไปนะมารับใช้มาเพื่อที่จะเรียนรู้นะพระองค์ก็เรียกมัทธิวเพื่อเป็นศิษย์เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นพรกับคนอื่น เป็นแบบนี้ผมก็สงสัยนะว่าทําไมพระองค์มั่นใจมัทธิวอะไรมากขนาดนั้นนะนี่ก็คือคนบาปธรรมดาธรรมดาที่คนหยิ่งเกียดชังไม่ใช่หรือทําไมพระองค์ไม่เรียกคนที่ดูดีกว่านี้หน่อยคนที่มีชื่อเสียงไม่ต้องมีชื่อเสียงเสียก็ไม่มีธรรมดาก็ได้หรือมีชื่อเสียงดีหน่อยหรือไม่เรียกพวกฟาริสีซะเลยล่ะพวกนี้มีความรู้พมพีดีอยู่แล้วตามปกติเวลาเราจะเรียกใครมาเป็นสาวกเราก็จะเลือกคนจริงไหม ผมสอนพักคำพีอยู่อยู่ที่โรงเรียนพคิสธรรมบีไอทเวลาเราจะนับนักศึกษาเนี่ยนะนักศึกษาก็ต้องสอบข้อเขีย น, นสอบพักคมพีรู้ความพักพีพื้นฐานว่ามีเป็นยังไงแล้วก็ต้องให้เขาขอใบรับรองคริสจกักรเพื่อมั่นใจว่าคนนี้เป็นสมาชิกคริสจากไหนแล้วใบรับรองก็ต้องบอกต้องมีการติ๊กนะว่าว่า คุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงนะมั่นใจว่าได้คนดีนะไม่ไบรับรองสาใบนะฮะอันนี้ไม่ใช่ใบประชาสัมพันธ์นะกึ่งๆนอกจากสาใบแล้วนะต้องเขียนคําพยานด้วยเพราะว่าครูก็ต้องมั่นใจว่าทำไมเขามาเยนปากกิสรรมมีการทรงเรียกไหมนะขอใบรับสอบพักคัมรีขอใบรับรองเขียนคําพยานนอกนั้นยังไม่พอนะเราจะต้องสอบสัมภาษณ์ เช็คประวัติดูความสามารถดูทุกอย่างนะว่าเขาจะไปได้ไหมเขาจะมีโอกาสไหมแมผ่านขั้นตอนมาตั้งเยอะนะต้องการโปรไฟล์ที่สุดยอดเลยนะเพื่อมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาสักคนหนึ่งนะี่นะเห็นไหมเวลาเราจะเลือกใครมาเป็นสาวกแล้ เ, เอาเต็มที่เลยนะไม่มีหลอกนะจะเอาคนข้างถนนหรือว่าเอาเอาคนที่แบบคนทั่วไปโอ๊ยนี่คนบาปอย่างเงี้ยมเข้ามาโรงเรียนพุทธิธรรมเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่า พระเยซูทำตรงกันข้ามพระองค์เรียกคนบาปมาเป็นสาวกเป็นไปได้อย่างไรทำไมนะพระองค์เรียกมัทธิวมัทธิวมีอะไรดีนะผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมสิ่งที่พระองค์มองเห็นไม่เหมือนที่เรามองมัทธิวอาจจะไม่มีอะไรดีแต่สิ่งที่พระองค์มีกับมัทธิวคือความหวัง พระองค์มีความหวังกับมาทิวไม่ว่าอดีตจะทําผิดหนักหนาสาหัสสากันเพียงไรแต่ตอนนี้พระองค์ให้โอกาสพระองค์เรียกคนบาปรักคนบาปไม่ทราบว่าถ้าเราเป็นมาทิวจะรู้สึกยังไงบางคนอาจจะดีใจแต่บางคนอาจจะต้องคิดนานแน่ใจไหมจะไปกับพระเยซูจะทิ้งที่เก็บภาษีหรอือหรือบางคนอาจจะไม่กล้าติดตามเลยก็ได้คิดว่าไม่เหมาะสม ผม ม, มีนักเรียนท่านหนึ่งนะครก็ได้เปรียกาสทํางานทํางานกับชุมชนที่แตกต่างจากพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับเขาทํางานกับพยายามทํางานกับหญิงขายบริการนะเปิดร้านเสริมสวยให้หญิงขายบริการมาทําผมนะเสริมสวยฟรีนะเพื่อจะมีโอกาสจะรู้จักขา่าวนะคนทํางานเป็นผู้หญิงนะะเพื่อจะรู้จักเขาแล้วเพื่อจะเอาข่าวไปเสริฐให้เขา่าวนะ นักเรียนคนนี are, wasting, ้ก so ็มาเล่าให้ฟังนะเขาเล่าทั้งน้ำตาเลยนะเขาบอกว่าโหว่าอาจารย์โลกของเขามันน่าสงสารจริงๆเลยเขาเห็นหลายอย่างนะว่าเงินเดือนเงินก็น้อยนะอยู่ก็ลาบากนะความหวังของเขาก็คืออยากจะได้ฝรั่งมาเป็นสามีเพื่อจะเลี้ยงดูนะแต่ฝรั่งมันไม่เอาหรอกฮะบางคนก็มีลูกติดนะก็มาเป็นภาระก็มาเป็นพันธกิจเพื่อดูแลลูกนะเพื่อจะเรียกคนเหล่านี้ออกมาแล้วมาทางานปกตินะ นักเรียนเขาก็เล่าใฟังแบบนี้บอกว่าปีหนึ่งรู้จักคนแบบนี้อยู่ประมาณ90คนเยอะนะรู้จักเยอะแล้วก็หวังว่าจะมีใครบางคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วเปลี่ยนชีวิตนะกลับมาแต่เขาบอกว่าเรียกคนมาเนี่ยยากจริงๆเลยเกือบทุกคนเนี่ยมีเหตุผลเดียวกันหมดเลยเหตุผลที่เขาไม่มาที่เขาปฏิเสธมีเหตุผลคําตอบคล้ายๆกันเขาบอกว่า พวกเธอเขารู้สึกว่าฉันเป็นคนศกปลกไม่กล้ามาหาท่านรู้สึกไม่สมควรแม่เสียดายจริงๆที่เธอรู้สึกแบบนั้นเธอลึงจึงไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้มาหาผู้ที่รักเธอจริงบทเรียนนี้สอนอะไรบางอย่างให้กับเรานะจริงๆแล้วพระเยซู ร, รักเรามากนะพระเยซูให้โอกาสคนบาปเรียกคนบาสนะ หากเรารู้สึกว่าเราตัวเป็นคนบาปเราทำผิดอะไรบางอย่างมาหรือเป็นเหมือนกับริงไมคขายบริการจะ่ไม่ได้เราเพิ่มผิดขนาดนี้อาจจะทำผิดอย่างอื่นทำผิดพลาด ท, ทำความล้มเหลวทำผิดบางอย่างกับคนอื่นกับคนที่เราลักทำผิดบางอย่างในขณะที่คนอื่นประนามเราว่าเราเป็นคนผิดคนบาปอย่าให้สิ่งนี้ทับถมตัวเราเองถ้าเราฟังแต่คนอื่นบอกเราแล้วก็เราก็จะเป็นแบบนั้น เปลี่ยนจากหูที่ฟังคนอื่นบอกเป็นจหูที่ฟังตัวเราเองบอกมาฟังว่าพระเยซูบอกอยังไงพระเยซูไม่ได้ทับถมเรานะพระองค์เลือกเราและเรียกเราคนบาปที่มาหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้อดีตอย่าให้ปัญหาของเราอย่ามโฟกัสกับสิ่งที่เราเคยทําผิดไปอย่ามโฟกัสกับสิ่งที่คนอื่นมองเราหันมาโฟกัสสิ่งที่พระเจ้ามองเราและอภัยให้กับเราแล้วเดินต่อไปข้างหน้าพระองค์ให้ความหวังกับคนบาปเสมอ ในอีกด้านหนึ่งหากเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนทําผิดทําบาปต้อเห็นคนบาปอย่าให้เราไวในการพิพากษาคนอื่นอย่าด่วนสรุปว่าคนคนไหนรอดคนไหนไม่รอดคนไหนมีความหวังคนไหนไม่มีความหวังนะเราไม่ได้เป็นคนตัดสินพระเยซูให้โอกาสทุกคนเสมอโดยเฉพาะคนที่กลับใจเรื่องนี้สอนผมจริงๆนะบางครั้งผมก็เป็นคนที่ไวต่อการตัดสินคนไวต่อการตัดสินว่าเขาทําผิดครั้งที่หนึ่งปั๊บ พอละแมวละเปลี่ยนคนไวต่อการตัดสินละมัดระวังนะยาอยา่าไวต่อการตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามองข้ามความผิดบาสนะหรือบางบองเรื่องความบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยคนทําผิดต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องปกติคนทําบาปก็ถูกลงวินัยนะคริสตจักรไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนผิดคนบาสนะเข้ามามีอิทธิพลกับคริสตจักรได้หรือมาเป็นผู้นําได้ นี่เป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าการลงวินัยส่วนการลงวินัยการให้อภัยส่วนการให้อภัยอย่าเพิ่งรีบหมดหวังกับคนที่ผิดพลาดล้มเหลวเปิดช่องเสมอว่าพระเจ้าทรงใช้กันเขาได้พระองค์เรียกคนบาปสิ่งที่สองที่เรามองเห็นจากพระคําตอนนี้คือพระองค์กินกับคนบาปนะในข้อที่เก้าข้อที่สิข้อที่สิเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่พระเยซูเรียกให้มัทธิวตามมัทธิวก็ลุกขึ้นตามทันที แต่พอข้อที่สิบเราจะเห็นว่าพระเยซูตามมัทธิวล ะ, ะข้อที่สิบบอกว่าเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านนะก็จริงๆเสวยอาหารเนี่ยอยู่ในบ้านมัทธิวนะฮะถ้าในมัทธิวบอกไม่ชัดมาร์โกจะบอกชัดนะมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆอีกหลายคนมาร่วมรับประทานอาหารร่วมโต๊ะอาหารกับพระเยซูกับบรรดาสาวกของพระองค์ตอนนี้พระเยซูอยู่ในบ้านนะที่ เข้ามาอยู่ในบ้านของมัทธิวนะแล้วก็ในบ้านของมัทธิวก็มีคนที่มัทธิวรู้จักนะคนที่อยู่วงการเดียวกับมัทธิวก็คือคนเก็บภาษีที่คนอื่นเขาเรียกคนบาบนี่แหละถ้านะจินตนาการนะมัทธิวคงจะดีใจมากนะที่พระอาจารย์เนี่ยที่เดินทางมาอยู่ๆก็เรียกฉันเป็นสานุสิษ์มัทธิวเดินตามไปเลยตามเสร็จปับ๊บมัทธิวคงจะชวนอาจารย์ มาที่บ้านผมหน่อยนะก็ดีใจนะคงจะพามาให้รู้จักครอบครัวนะจากรู้จักสังคมรู้จักเพื่อนมาให้กินกันอย่างเปิดเผยนะฮะก็ดีใจมากที่พระองค์วันนี้เราได้ต้อนรับผู้ที่เป็นพระอาจารย์นะผมก็จินตนาการต่อนะว่าคงคล้ายๆกับวัยรุ่นที่เพิ่งมีแฟนใหม่ๆมั้ง พอมีแฟนแล้วก็พาเขามามาหาสังคมที่เรารู้จักพามาบ้านพามารู้จักพ่อแม่พี่น้องพามาเม่จักเพื่อนเอ๊ะพูดใหม่ัวรุ่นบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอาจารย์วัยรุ่นเขาไม่พาเข้าบ้านหรอกครับ <c oughs> เขาพาไปหาเพื่อนก็พอ <c oughs> ไม่น่ใจพ่อแม่จะว่าไงอ่ะนะมัธิวทำแบบนั้นแหละพาพระองค์มาแต่ที่น่าสนใจคือพระองค์ก็ตามมานะ พระองค์ก็มาสำรวจดูทุกอย่างเลยในสิ่งที่มัทธิวเป็นนะบางครั้งเวลาเราเป็นคริสเตียนเราก็ควรจะทําแบบนี้เหมือนกันเนาะพาพระเยซูเข้ามารู้จกักครอบครัวมารู้จักโลกส่วนตัวมารู้จักเพื่อนมารู้จักในสิ่งที่เราเป็นมารู้จักห้องลับของเราห้องนอนห้องทํางานที่ทํางานถ้าหากพระองค์ไปทุกที่ที่เราอยู่เราว่าชีวิตของเราน่าจะปลอดภัยและทําถูกต้องขึ้นเนาะ มีห้องไหนมหมที่เราปิดเป็นห้องลับห้องนี้ห้ามเข้าพระอง์ห้ามเข้าเด็ดขาดพระเยซูก็ติดตามมัทธิวนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ร่วมโต๊ะอาหารกินกับมัทธิวการกินกับมัทธิวก็เป็นที่สะดุดของคนอื่นก็บอกว่าทำไมพระองค์กินกับคนบาปก็อาจจะเป็นเพราะว่าการกินเนี่ยสำหรับคนยิวเป็นพิธีกรรมเป็นสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึง่ง เป็นการเข้าส่วนเข้าสัมพันธ์สนิทเหมือนกับพิธีมหาสนิทที่เรามีนี่แหละเรากินอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยขนมปงังขนมปังก้อนเดียวกันเนี่ยเพื่อการเร่งให้เห็นถึงว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันกับพระองค์และแชร์ให้คนอื่นกินก็คือแชร์พวกเราเป็นส่วนเดียวกันสําหรับคนยิวเนี่ยก่อกินคิดภาพไว้ยอย่างนี้นะคนสนิทกันเท่านั้นนะ่ะถึงจะกินด้วยกันคนกลุ่มเดียวกันถึงจะกินด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่สนิทกันลอเขาไม่กิน ด้วยกันลองคิดถึงภาพนะสมมุติว่าผู้รับใช้พระเจ้านะผมคิดแรงๆนิดหนึ่งเดี๋ยวโทษนะฮะสมมติว่าอาจารย์หมอศึกษาเป็นเสด็จพิบาลที่นี่ใช่ไหมแล้วมีคนบาปนะอาจารย์หมอศึกษาเรียกคนบาปนะโอเคกินด้วยกันกันกบคนบาปข้างๆนี่มีบาร์เบียนะเขา้เขาชอบไปกินที่นั่นหมอศึกษาไปนั่งที่บาร์เบียด้วยไม่ได้กินเบียรนะสมาชิกไปเห็นแล้วทำไงอะทำกิจประชุมด่วนแน่นอนเลยเนาะ <laughs> หมอศึกษาไปอยู่บาร์เบีย <laughs> โทษนะไม่ใช่นะเมื่อกี้โกหกเป็นของปลอมนะสมมุติเอาเฉยๆนะฮะนั่นคือภาพแบบเนี้ยพระเยซูอยู่กับพวกคนบาปเป็นภาพแบบนั้นนะ่ะอยู่ด้วยกันเนะี่ยทำให้เห็นภาพเนะ่ยโดยปกติเนี่ยเราเนี่ยจะไปไหนกับใครจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยต้องเลือกคนจริงไหมเลือกคนที่ไว้ใจได้เขาไว้ใจเราอยู่ด้วยสบายใจนิสัยใจคอคล้ายกันมีอะไรเหมือนเหมือนกัน มีงานอดิเรกคลขข้ายกันเจอปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเรื่องลูกวัยรุ่นเหมือนกันมีไลฟ์สไตล์ตรงกันช่วยเหลือพึ่งพากันต้องมีอะไรบางอย่างเราถึงจะไปกินกับเขาจะไปใช้เวลามากๆกับเขาแต่ตอนนี้พระเยซูใช้เวลากับคนบาปคนที่แตกต่างเรามองเห็นอะไรไหมการที่พระเยซูอดทนใช้เวลากับคนบาปที่แตกต่างกับพระองค์เป็นอย่างมากจริงๆก็เห็นความรักของพระองค์ที่พระองค์ไม่รังเกียจคนบาป จริงๆแล้วคนบาปก็น่ารังเกียจอยู่แล้วคริสตจักรของพระองค์ที่พ ร, ระองค์ทรงเรียกมาจริงๆเราทั้งหลายแต่และคนเนี่ยน่ารังเกียจไม่แพ้คนบาปหรอกคริสจักรคือสาวกพระเยซูคริสต์ที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือก่อนที่เราเป็นคริสตจักรเราน่ารังเกียจมากกว่านี้อีกอาจจะเป็นคนเห็นจัตตัวดื้อดึงกลับสัตว์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่อักกัตันยูขี่โกหก เอาตัดใจมันมีสารพัดเลยแต่เพราะความรักพระองค์นี่แหละพระองค์จึงทําให้ชีวิตเรามีสง่าราศีขึ้นได้พระองค์ยอมตายเพื่อเราแล้วพระองค์ไม่หลังเกียรติเรากินกับคนบาปเราจึงเป็นคนที่น่ารักขึ้นดีขึ้นที่พระองค์ทําแบบนั้นก็เพราะพระองค์ทรงรักคนบาปกินคนบาปพระคุณของพระองค์ที่ประทานให้กับเราเพื่อเราจะเรียนรู้จัก ที่จะอดทนกับคนบาปเหมือนกันอดทนกับคนที่ไม่น่ารักคนที่เราเห็นว่าเขาเห็นเราว่าเป็นศัตรูหรือเขาเาแตกต่างจากเราเขามีนิสัยบางอย่างที่ไม่น่ารักอาจจะมีเป็นไปได้ในสังคมนะถ้าปกติเราก็จะชอบอยู่ด้วยกันกับคนที่เคมีตรงกันถ้าจะเลือกก็เลือกคนที่เคมีคงกันมาร่วมงานถ้าคนที่เห็นแก่ตัวล่ะคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่รับผิดชอบล่ะคนที่ขี้โกงล่ะ เห็นจะเอาแต่หน้านะเอาแต่หน้าหรือว่าเอาแต่ใจเนี่ยนะอยู่ยากอยู่ลำบากบางครั้งการที่เราอดทนกับคนอื่นก็กลายเป็นบทเปลี่ยนเพราะพระองค์ยังอดทนกับเราเลยให้เราอดทนกับคนที่ไม่น่ารักเหมือนกันมีเพื่อนคนหนึ่งผมอยู่สังคมหนึ่งและกันนะฮะสังคมที่เพื่อนคนนี้เขาก็รู้สึกทนทุกทุกใจกับ การได้ทำงานอยู่ที่นั่นเขาก็ทนนะฮะพระเจ้าไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทาที่อื่นนะก็ทนมาเป็นสิบปีละก็ทนบ่นอยู่สิบปีสิบกว่าปีก็ยังทนอยู่นะสังคมพอผมฟังผมก็รู้สึกว่าเห็นใจจริงๆนะสังคมนั้นสกปรกจังเลยนะไม่มีความรักเลยนะทุกคนก็มีแต่เจ้ายศเจ้าอยากนะแข่งแย่งชิงดีกันเล่นพรรคเล่นพวกเอาเปรียบกันโกงกินก็กลายเป็นเรื่องปกติ กินตามน้ำแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเถนตรงแล้วรับพวกนี้ไม่ได้เลยไหมแต่ว่าจะไปที่อื่นก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะก็เคยคิดอยากจะออกไปทำการที่อื่นอยากจะไปอยู่ในสังคมอื่นที่สะอาดกว่านี้หรือคิดจะอยากจะรับใช้พระเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐอาจจะมีความสุขขึ้นองเรผมว่าไม่แน่ใจนะทุกสังคมเหมือนกันนะจะบอกให้ แต่แล้วก็คุยกันว่าเขาจะทําอย่างไรดีนะลึกๆแล้วผมก็คิดว่าอืมจริงนะสังคมเขาก็ไม่น่าอยู่แต่จะหาสังคมไหนอ่ะที่มันน่าอยู่ละ่ะเพราะว่าอาจจะหายากนะแต่บางครั้งในสังคมที่ไม่น่าอยู่เนี่ยที่เราบอกว่าจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยในสังคมที่เราอยู่ที่มันไม่น่ารักนี่แหละเราอาจจะประกาศที่นั่นได้ก็ได้นะปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สังคมไม่น่าอยู่นะปัญหาอยู่ที่เราหรอกเพราะเรารู้สึกว่าที่เนี่ย มันเป็นที่ที่อยู่ยากสิ่งที่เราอยากคืออยากจะอยู่ในที่ที่อยู่ง่ายพระธรรมตอนนี้กําลังสอนให้เราเรียนรู้ที่เราจะไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเราสอนให้เราออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเราอยู่ในที่ที่อยู่ยากอยู่ในที่ที่ไม่น่าอยู่อยู่ให้เป็นอยู่ให้แตกต่างอยู่ให้เป็นพรอนเป็นไปได้ไหมสังคมที่มืดที่สุดคือสังคมที่ แสงสว่างดวงเล็กๆของคริสเตียนส่องได้ชัดที่สุดเป็นไปได้ไหมสังคมที่เงียบที่สุดเงียบไหนถึงไม่ได้ยินข่าวประเสริฐเลยคือสังคมที่เสียงเล็กๆของคริสเตียนจะเป็นเสียงที่ดังได้ดีที่สุดชัดที่สุดงนั้นบทเรียนนี้สอนให้เราอยู่ในที่ที่แตกต่างเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ผ่อ เหมือนกับพระเยซูเรียนรู้จะเป็นพรกับคนบาปที่สุดแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็กินกับคนบาปนะบทเรียนต่อมาสุดท้ายคือบทเรียนที่พระเยซูกแก้ต่างให้คนบาปเพราะว่ามีคนที่เห็นแล้วไม่พอใจพวกนั้นคือฟาริสีข้อที่สิอก็บอกว่าเมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วเขาก็กล่าวกับสาวกของโปรง่งนะสาฟาริสีนะเป็นคนไม่ ค, ครับคอนฟอนต์ตรงๆนะ เห็นปั๊บแทนที่จะพูดกับพระเยซูมาพูดกับสาวกนะผมบอกมาบอกสาวกบอกว่าทําไมทาไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภัสยและพวกคนบาปนะอันนี้กําลังชี้หน้าด่าใช่ไหมบอกว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะทำไมพระเยซูให้โอกาสคนบาปนะมันทาให้เขารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธด้วยซ้าไปนะพระองค์ก็ทําสิ่งไม่ดีไม่ใช่เหรอแต่ที่น่าเจ็บใจคือคนที่โกรธอยู่เนี่ยคือพวกที่ คนทั่วไปเรียกว่าเป็นผู้นำาศาสนาเป็นผู้สอนเป็นผู้น่าจะมีใจเมตตาแต่คนเหล่านี้กลับรับไม่ได้นะในที่สุดแล้วพระเยซูก็เลยต้องพูดแก้ต่างว่าพระเยซูดีนะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วถูกคนอื่นตนําหน่งตาหนิดนะอย่าท้อใจนะก้มหน้าทําไปนะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะเดี๋ยวพระ อ, องค์แก้ต่างให้เราเองพระ อ, องค์ทรงแสนประเสริฐพระ อ, องค์แก้ต่างว่าอย่างนี้นะ บอกว่าเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอคนเจ็บปวดคนเจ็บปว่วยต้องการจงไปเรียนความหมายจากพระธรรมข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตามไม่ประสงค์สัตวะบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปแหมคําสุดท้ายนี่ผมเป็นฟรอยสีฟังก็สะดุง้งแล้วก็โกรธเลยนะบอกไม่ได้เรียกคนชอบธรรม ต่มาเรียกคนบาปเลยผู้ใหายพระเยซูกําลังบอกเป็นไนว่าฉันไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรมอย่างพวกเธอแต่ฉันมาเรียกคนบาปอย่างพวกเขาพระเยซูพูดเหมือนกับกําลังปฏิเสธฟาลิสีนะแปลกนะพระองค์เรียกคนบาปปฏิเสธฟาลิสีทําไมฟาลิสีมีอะไรละ่ะทําไมพระองค์ปฏิเสธมีอยู่สองสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้สิ่งแรก ฟาริสีคิดว่าตัวเองชอบธรรมฉันเป็นคนชอบธรรมฉันเป็นคนดีพร้อมนะพระเยซูบอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บต้องการหรือพูดง่ายๆฟาริสีคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วไม่ได้ต้องการพระองค์มาก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ต้องการไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ป่วยแต่เขาไม่ต้องการแต่คนเจ็บเนี่ยที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องการหมอเขามาเพื่อหาหมอแต่คนไม่ต้องการจะหาทําไมแล้วหมอจะรักษาเขาได้อย่างไร คนเก็บภาษีเป็นเหมือนคนป่วยฟาริสีเป็นเหมือนคนไม่ป่วยนักจากการไม่ป่วยนี่เองทําให้ฟาริสีหลงไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีพร้อมฟาริสีโดยปกติแล้วโดยหน้าที่โดยตําแหน่งของเขาเนี่ยเขาคือคนรักษากฎนะเพราะนั้นทาบัญญัติเขาเป็นผู้รู้อ่านเรียนทำบัญญัติเป็นผู้รู้เป็นผู้สอนทำบัญญัติ แล้วก็ยังเป็นตำรวจทำบัญญัติด้วยคอยจับว่าคนอื่นทำผิดเป็นผู้พิพากษาทำบัญญัติด้วยคอยพิพากษาว่าผิดขนาดนี้กี่กระทงต้องทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขามองคนอื่นตลอดเวลาเลยว่าใครผิดถูกทำบัญญตัติแต่มองไม่เห็นตัวเองเลยน่าแปลกนะว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้าทำตามท ำ, ท ำ, ทำบัญญัติของพระเจ้าแต่สิ่งที่เขากำลังทำคือกำลังจับผิดพระเยซูพระบุตรพระเจ้าสุดท้ายพระองค์ พวกเขาคือผู้ที่ประหารพระเยซูคริสต์บางที่คริสเตียนพวกเราเองก็ต้องระวังนะถ้าเป็นคริสเตียนนานขึ้นก็โอกาสที่เราจะมองคนอื่นก็ง่ายขึ้นถ้าเรียนสูงขึ้นโอกาสรู้พระคัมภีรก็อาไว้จับปีคนอื่นก็เยอะขึ้นหรือว่าถ้าเป็นครูเป็นผู้รับใช้เป็นอย่างผมที่ผมว่า อ, อ๋อตายแล้วส่องกระจกทุกวันนะ ดีไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนรู้เยอะเย่อหยิ่งวิจาร์เก่งชอบเตือนคนอื่นชอบพูดชอบสอนชอบตาหนิมองไม่เห็นบาปตัวเองเลยนี่ต้องระวัดระวังนะ น, นี่คือฟรีสีเป็นคนคนเป็นคนอย่างเงี้ยอยูอย่แต่เขาเป็นคนบาปจะเป็นยังไงคนบาปเขาก็จะสํานึกบาปอ่อนแอพึ่งพระคุณไม่กล้าพูดมากไม่กลาวิจาร์ไม่กล้าสอนมาก สิ่งที่รู้ก็คือเราทั้งหลายต่างต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าทั้งสิน้นนี่จึงทําให้พระเยซู ป, ปฏิเสธฟาริสีสิ่งแรกรู้ว่าตัวคิดว่าตัวเองชอบทำสิ่งที่สองที่ฟาริสีเน้นฟาริสีเน้นพิธีกรรมแต่ขาดความเมตตานะเน้นพิธีกรรมเน้นกฎยุมย้มยิ้มแต่ขาดความเมตตานะพระอภิษฐ พระเยซูบอกว่าท่านจงไปเรียนความหมายของพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์สัตวะบูชาด้วยว่าตัวเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูอ้างถึงคือโฮเชยาบทที่6ข้อที่6นะจริงๆว่าตอนนี้นะเป็นพระเยซูในบัติลอ้างสองครั้งนะน่าก็คงว่าฟาริสีเขาคงเรียนข้อนี้เรียนแล้วยังเรียนไม่ยังเรียนแล้วเรียนอีกก็ยังไม่เข้าใจ กำลังบอกว่าพวกฟอริสีเนี่ยสิ่งที่เขาสอบตกไม่ใช่เรื่องสัตว์วบูชาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของศาสนาพิธีไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆสิ่งที่เขาทําอย่างเคร่งัดโอเคไม่มีปัญหาสิ่งที่เขามีปัญหาที่สุดคือความเมตตาหรือพระเยซูพูดอีกคํานึงบอกได้อย่างนี้ไหมว่าพระเยซูไม่ได้สรุปว่าเครื่องบูชาไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่าเครื่องบูชาคือความเมตตาพร่เยซูมา เพื่อฟาริสีหรือว่าเพื่อคนทั้งหลายจะพัฒนาชีวิตในเรื่องของความเมตตามากกว่ากฎเกณฑ์นี่ถ้าหากเราเป็นคริสเตียนนานขึ้นหนึ่งปีอะไรเราควรจะพัฒนาหนึ่งปีผมว่าพัฒนาแน่ละเราต้องร้องเพลงคริสเตียนเป็นเราต้องรู้เรื่องความรอดเราต้องอ่านเรื่องพระเยซูเราต้องรู้ศาสนาพิธีเราต้องรู้ว่าโบสถ์เนี่ยมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเราร่วมได้ร่วมไม่ได้อาจจะรู้ละ อเราพัฒนาแต่ยังสิ่งต้องพัฒนาที่สุดคือแล้วมีความเมตตาเพิ่มขึ้นไหมละ่ะเรารักคนอื่นเพิ่มขึ้นไหมเราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นไหมหนึ่งปีสองปีสมปีถ้าเป็นคริสเตียนนานขึ้นละ่ะแล้วถ้าเป็นระดับผู้นำละ่ะอะไรอะคือคแรคเตอร์อะไรคือสิ่งที่จะฟ้องว่าคนนี้กำลังเติบโตดูที่ไหนดูที่ความเมตตาดูที่ความรัก ของเราที่มงความเมตตาเป็นประตูเป็นสิ่งที่วัดว่าคนนั้นกําลังเติบโตหรือไม่เติบโตความเมตตาดูได้จากที่ไหนดูได้จากความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นความสัมพันธ์กับเพื่อ น, นก็ดูได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเกินเพื่อนละ่ะคนที่อยู่นอกกลุ่มเราล่ะเราความสัมพันธ์กับเรากับเขาเป็นอย่างไรหรือดูจากคนที่นอกกลุ่มคนที่ เราแตกต่างจากเขาหลืคะความสัมพันธ์ของเรากับเขาเป็นอย่างไรนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสดได้พูดคุยกับบัตรหลวงคาทอลิกท่านหนึ่งนะฮะเรก็คุยก็สนิกสนทกันคุยกันท่านก็ถามว่าพอซาแซนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเขบอกว่าโร um, งเรียนพาะคริสตธ ร, รมเป็นยังไงบ้างเป็นมีคริสเตียนเพิ่มขึ้นไหมบอกว่าก็เรื่อยๆนะ มีคนเข้าคนออกไม่ทราบวัฒนาเป็นยังไงขายกันไหมมีคนเข้าคนออกบวกลบคูณหารหลวงจงเท่าเดิม <c oughs> แล้วบาทหลวงท่านนี้ท่านก็พูดต่อนะท่านพูดได้น่าฟังจังเลยท่านบอกว่าคาถลิกษ์ก็เหมือนกันนะต้องยอมรับนะว่าพวกเราเนี่ยชาวคริสต์เนี่ยเราประกาศกับคนไทยนี่ยากนะเพราะคนไทยเนี่ย โดยพื้นฐานพุทธศาสนาเนี่ยเขาทำเรื่องความเมตตานี่ดีมากนะลองดูสิสังเกตดูสิวัดไทยเนี่ยนะไม่มีประตูปิดนะนี่ผมใส่ไววัดบ้านนอกนะวัดในเมืองนี่มีนะแล้วคนยากคนจนคนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีกินเนี่ยเขาไปอาศัยวัดได้นะของคริสเตียนเราปิดประตูนะว่าวตบดปิดปิดประตูนะโบสถ์สำหรับสมาชิกเดี๋ยวของหาย เราสอนเรื่องความรักพระเยซูคริสต์นะเนี่ยเราพูดปากเปรียกปาจแะเรื่องความรักแต่คริสเตียนเราทะเลาะกันนะเราแข่งขันกันนะบทไหนโตบทไหนไม่โตเราแข่งแย่งกันแม่ประกาศยากจังเลยโอ้ยฟังรัศอึกเลยรัศดุงเออจริงนะปัญหาใหญ่ของเราคืออะไรอะขาดความเมตตาทำยังไงล่ะให้เรามาพัฒนาด้วยกันดีไหม บางทีเราต้องรู้จักรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนที่เขาขาดบ้างนะถ้าเรามีพร้อมสนใจคนที่อยู่นอกโปรดบ้างหรือบางทีเราอาจจะต้องรู้จักการมองข้ามความผิดของคนอื่นบ้างจะจับผิดจนโอ้โหจนเขาเอาเป็นเอาตายไปกระดิกไปไหนไม่ได้นะหรือบางทีเราอาจจะต้องรู้จักมองข้ามกดเจนบางอย่างยุม่มยิมบ้างเพื่อเห็นแก่คนที่เขาขาดความรัก หรือบางทีเราอาจจะต้องพัฒนาชีวิตที่เราจะรู้จักเฟรนลี่กับคนอื่นอยู่ด้วยที่เขาจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขาเห็นความรักเห็นความเมตตาคนแบบนี้แหละคือคนที่มีเสน่ห์ขอพระเจ้าเมตตาไม่ทราบว่าปีใหม่ปีนี้เราจะขอพรอะไรจากพระเจ้าดีถ้าจะขอสําหรับตัวเองถ้าจะขอสําหรับพื่จักเราขอเรื่องนี้ทีไหมขอพระเจ้าช่วยเราจะพัฒนาชีวิตที่มีความเมตตารัก คนบาปแลกคนที่ไม่น่ารักรักให้เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์นี่คือความรักของพระเจ้าที่ให้กับเราและเป็นความรักของพระเจ้าที่พระองค์กําลังเรียกร้องให้เราให้กับพี่น้องขอเราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันสาธุการข้าแต่พระบิดาเราขอขอบคุณพระองค์เรารู้ว่าโดยความรักของพระองค์โลกถึงมีความหวังโดยการที่พระองค์ยอมเราถึงเป็นไทยข้าแต่พระเจ้า ขอทงโปรดช่วยให้ลูกของพระองค์ที่จะพัฒนาความรักเหมือนกับที่พระเยซูคริสตทรงรักอย่าให้เรารักกันด้วยกันเฉพาะแต่คำพูดเท่านั้นแต่ให้เรารักกันด้วย ก, กันและ ก, กันด้วยการกระทําและความจริงขอให้ความรักของขพระองค์ทั้งหลายจะมีความรักที่คนทั้งหลายจะสัมผัสได้เราเชื่อว่าพระองค์เองจะเป็นผู้ประทานพระพร อ, อย่างมากมายเมื่อเราได้เชื่อฟังขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ เดาวริปปินดอง